พุทธคุณประการที่เจ็ดศัทธาเทวมนุษยานังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธคุณบทนี้ถ้าหากใครเข้าถึงคือเข้าใจความหมายแจมแจ้งแล้วรู้สึกเห็นด้วยอย่างจริงใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคือสามารถเป็นครูแนะนำสั่งสอนคนได้ทุกชั้นทุกวันนะทั้งเทวดาและมนุษย์เขาผู้นั้นก็จะรู้สึกว่า ถ้าตนเองมีเรี่ยวแรงมีสติปัญญามีทุนทรัพย์อยู่เท่าไรเขาก็สามารถที่จะทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมดเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้เป็นแสงสว่างของโลกแต่เหตุการณ์ทุกวันนี้ตรงกันข้ามเพราะแม้แต่ผู้ที่เคยบวชเรียนมาในทางพระพุทธศาสนามีความรู้ดีในด้านปริัติก็ยังไม่รู้สึกภูมิใจในความรู้ที่เรียนมาแต่กลับไปรู้สึกภูมิใจในทางอื่นเช่นตหากตนเอง มีความรู้ในทางโลกพอที่จะเป็นเรื่องมือประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกสบายเขาก็มาจะรู้สึกภูมิใจหรือเทอิดทูนความรู้ในทางโลกและประชาชนโดยทั่วไปก็น้อยคนมากที่จะอุทิศ ต, ตัวเองหรือยอมให้ลูกหลานของตัวเข้ามาเรียนในทางพุทธศาสนาโดยการยอมเสียสละทั้งเวลาและเงินเหมือนกับเรียนในทางโลกแล้วเรื่องที่แปลกก็ยังมีอีกเช่นบางคนที่เป็นป ร, รียน เมื่ออยู่ไม่ได้สึกออกมาและได้ดีมีหลักฐานจากความรู้ที่เรียนมาในทางศาสนาแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นใครในสมัยนี้ส่งลูกของตัวเองเข้ามาบวชเรียนเหมือนอย่างกับพ่อของเขาทั้งนี้อาจจะมีเหตุผลอยู่หลายอย่างเช่นลูกไม่สมัครจะเรียนเนื่องจากพ่อเป็นคนมีฐานะนดีสามารถที่จะส่งลูกเรียนทั้งโลกได้ส่วนตัวพ่อเองเพราะความจนจึงต้องเข้ามือเรียนในทางศาสนา อาศัยที่ตัวเองเป็นคนสมองดีและตั้งใจเรียนพร้อมกับมีความเลื่อมใสในการเรียนเป็นทนอยู่บ้างจึงเรียนได้ดีแต่ก็เรียนมาด้วยความยากลำบากมากต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากส่วนลูกที่เกิดมาก็สบายทนลาบากเหมือนพ่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่หันมาเรียนในทางศาสนาและเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือถึงแม้จะเรียนได้แต่ก็รู้ว่า จะอยู่เป็นพระตลอดไปไม่ได้ในที่สุดก็ต้องศึกและเมื่อนึกว่าจะต้องศึกก็จําเป็นต้องนึกถึงปัญหาเรื่องการอาชีพเป็นที่รู้กันดีว่าการศึกษาในทางศาสนาถ้าเพื่อหวังอาชีพแล้วไม่สะดวกและจะก้าวหน้าไม่ทันคนอื่นไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสร้างฐานะได้ดีเหมือนกับคนที่เรียนวิชาในทางโลกด้วยเหตุนี้แม้แต่ลูกของคนที่ได้ดีป็นใหเป็นโต ไปจากในทางศาสนาก็ไม่สนับสนุนลูกที่เข้ามาเรียนในทางศาสนาซึ่งผิดกับในทางโลกถ้าพ่อเป็นหมอก็อยากจะให้ลูกเป็นหมอถ้าพ่อเป็นนักกฎหมายหรือสำเร็จวิชาแขนงไหนก็อยากจะให้ลูกดำเนินตามทั้งนี้ก็เพราะได้เห็นอยู่อย่างชัดเจนแล้วว่าวิชาที่ตนเองเรียนมานั้นสามารถยึดเป็นอาชีพได้ดีความรู้สึกของคนไทยทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้ถแถลงมานี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสังเวชอย่างยิ่งที่เห็นตำตาอยู่ทุกวันว่าสถาบันการศึกษาในทางศาสนาซึ่งเทียบกับในทางโลกแล้วต่างกันราวฟ้ากับดินเพราะทั้งคนที่จะสนับสนุนและคนที่จะเข้ามาเรียนไม่ค่อยจะรู้สึกเห็นประโยชน์ของวิชาศาสนา พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้อ่านขอได้โปรดกรุณาพิจารณาพุทธคุณบทนี้และหลายครั้งและพยายามไตรตรองหาความหมายที่ลึกซึง้งคนส่วนมากถ้าเรียนวิชาขแขนงใดในทางโลกจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญและในเมื่อศาสตราจารย์ผู้นั้นรับรองให้ปริญญาแก่ตนเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจมากแต่น้อยคนนักที่จะรู้สึกภาคภูมิใจ ในเมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้ในทางศาสนาแม้ว่าจะได้ปริญญาในทางนี้ก็ตามการที่เขาไม่รู้สึกภาคภูมิใจก็เพราะเขามีถึงตัวศาสนาจึงไม่รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นครูเหนือครูทั้งปวงเขาไม่ค่อยจะได้คิดว่าเมื่อตัวเองได้เรียนทางพระพุทธศาสนานั้นย่อมหมายถึงเป็นคนที่มีโชคดีอย่างที่สุดเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงคาสอน ของบุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นครูของคนทั้งโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ครูในทางโลกนั้นแม้จะเก่งและเชี่ยวชาญในวิชาการของตัวเองสักเพียงใดก็ยังคงมีความหลงผิดให้ความเข้าใจที่ผิดผิดแก่ลูกศิษย์ได้เสมอผลของการเรียนวิชาในทางโลกนั้นแม้จะเก่งสักเพียงไรก็ช่วยให้พ้นทุกจริงๆไม่ได้และจะให้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรรู้จริงๆรู้อย่างแจ่มแจ้งและรู้ทุกอย่างรู้ถึงที่สุดและที่สําคัญที่สุดก็คือโดยการเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนเราจึงจะพ้นทุกข์ได้และบรรลุถึงความรู้ที่สมบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาสามารถช่วยเราได้ทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปทุกๆชาติตามความรู้สึกส่วนตัว ข้าพเจ้ามองไม่เห็นเลยว่าจะมีวิชาขแขนงใดที่จะเป็นพื้นฐานที่เรารู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงเหมือนวิชาในทางพระพุทธศาสนาคนที่เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติได้คือเข้าสมาธิได้จเจริญวิปัสสนาได้ผลนั้นจะสามารถเรียนรู้ในวิชาการได้ทุกอย่างและจะไม่หลงติดอยู่ในวิชานั้นๆเหมือนกับคนตาบอดคลำช้าง ความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจะป้องกันไม่ให้เราหลงผิดเพราะขอบเขตอันจำกัดของวิชาน น, นั้นๆพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านรู้สึกหรือไม่ว่าพุตธคุณบทนี้มีความหมายลึกซึ้งเพียงใดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะแนะนาคนได้ทุกชั้น และทุกคนที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนนั้นถ้าหากเข้าใจคำสอนจริงๆแล้วจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นครูที่สูงที่สุดสำหรับเขาคนจนคนมั่งมีคนโง่คนฉลาดคนชั้นต่ำคนชั้นสูงซึ่งรวมทั้งพระเจ้าแผ่นดินทุกคนยอมรับถ้าหากเขาเหล่านี้เข้าใจในคำสอนของพระองค์และไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้น เทวดาหรือเทพเจ้าทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าที่สูงสุดสักเพียงไรในเมื่อเข้าใจในคำสอนของพระองค์แล้วทุกคนจะยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่สูงสุดสำหรับเขาคนที่ไม่ยอมรับก็คือคนที่ไม่เข้าใจคำสอนเท่านั้นในคำพี์ได้กล่าวไว้ว่าในเวลาเที่ยงคืนจะมีเทวดาซึ่งเป็นโอปปาติกะมาจากภูมติต่างทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง มาถามปัญหาพระพุทธองค์เทวดาชั้นสูงสุดก็คือเทวดาที่เป็นพระอนาคามีซึ่งเทวดาชั้นนี้เป็นเทวดาที่สูงที่สุดในสากลจักรวาลเป็นเทวดาที่จะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเทวดาชั้นนี้คล้ายกับพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาในโลกมนุษย์แต่มีชีวิตเป็นโอปปาติกะมีอายุยืนยาวยิ่งกว่าอายุของโลก คือมีชีวิตนับเป็นกับกับพูดอีกในยะหนึ่งคือเป็นชีวิตนิรันดรตามความหมายของศาสนาอื่นแม้กระนั้นเทวดาในภูมินี้ก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าตนเป็นศาสดาของตนเพราะการที่ท่านเหล่านี้จะเกิดมาเป็นเทวดาในชั้นนี้ได้ก็เนื่องจากเคยฟังธรรมเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้ว นหนสำหรับในโลกมนุษย์ผู้ที่ประเสริฐที่สุดสูงที่สุดก็คือพระอาหารหันต์แม้กระนั้นท่านเหล่านี้ก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของตนขอให้ท่านพิจารณาให้กว้างอย่างจะมีใครที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในสมัยครั้งพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันไม่ว่าเขาจะใหญ่โตขนาดเป็นผู้นาของโลกมีอานาจสูงสุดในทางโลกหรือจะเป็นนักปราศ เป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในทางไหนก็ตามท่านเหล่านี้จะไม่มีแม้แต่เพียงคนเดียวที่จะไม่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นครูผู้ประเสริฐที่สุดสำหรับตนถ้าหากคนเหล่านี้ได้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ต่างระหนักเป็นอย่างดีว่าเงินชื่อเสียงความรอบรู้ความยิ่งใหญ่ หรือความสมบูรณ์ใดๆที่ตัวเองมีอยู่นั้นแม้จะวิเศษสักปานใดก็ช่วยให้ตัวเองรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราศึกษาและปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงรวมทั้งรู้แจ้งในเรื่องของตัวเองและในที่สุดก็เข้าถึงภาวะ ซึ่งทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าบัดนี้ตัวเองได้แก้ไขหรือเอาชนะปัญหาในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายเอาชนะความทุกข์ได้ทุกอย่างโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกซึ่งนอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคําสอนของใครที่ไหนจะช่วยให้ตนเองได้ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ถึงปานนี้นี่คือความรู้สึกเหมือนกันหมดทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านี้แต่เดิมจะมาจากคนชั้นไหนระดับไหนมีการศึกษามาอย่างไรถ้าหากเขาศึกษาเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่คนที่เข้าถึงหรือรู้สึกอย่างนี้มีน้อยมากเพราะเหตุนี้สถาบันการศึกษาในทางศาสนาตลอดถึงผู้สนับสนุนและผู้ที่เข้ามาศึกษาในทางนี้ในเมื่อเทียบกับในทางโลกแล้วถึงผิดกันเหมือนฟ้ากับดิน นี่คือภาวะที่น่าสังเวชที่สุด